คนเช่นไรจึงจะรู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาจริงๆข้าพเจ้าได้เล่ามาแล้วว่าคนที่จะมองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจริงๆก็ต่อเมื่อตัวเองเคยได้รับผลจากพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นแต่โดยธรรมดาคนที่จะเข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาจนกระทั่งได้รับผลดังที่กล่าวมานั้น จะต้องมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและการปฏิบัติและจะต้องได้รับความสะดวกในการศึกษาและการปฏิบัติพอสมควรด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในรูปของการปัตตถาหรือในรูปของการฟังเทศตามโบสถ์หรือตามศาลาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ย่อมไม่อาจจะก่อให้เกิดผลดังที่กล่าวมานั้นได้เพราะทางที่จะได้ผลจริงๆมีอยู่ทางเดียวคือผู้ที่จะศึกษาจะต้องได้เรียนจากผู้ที่มีความรู้จริงๆ และต้องเรียนตั้งแต่ต้นไปโดยลำดับพร้อมทั้งต้องได้มีโอกาสฝึกสมาธิด้วยแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าคนที่มีโอกาสอย่างนี้ส่วนมากก็มักจะเป็นคนมีอายุซึ่งอยู่ในวัยที่สมองเสื่อมจำอะไรไม่ค่อยได้เรี่ยวแรงก็มีน้อยกำลังใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆก็มีน้อยส่วนผู้ที่อยู่ในวัยที่เหมาะแก่การเรียนหรือการปฏิบัติ ก็ไปใช้เวลาอยู่กับงานอื่นเสียเกือบทั้งหมดจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะปลีกตัวมาศึกษาและปฏิบัติในทางศาสนาให้ได้ผลจริงๆ